ทัศนะสู่ธรรมเรื่องความงามอันน่ามหัศจรรย์ของบุโรบุดัวโดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยเขมานันทะวันที่20พฤศจิกายน2537หัวข้อในวันนี้นะครับก็คือความงามมันน่ามหัศจรรย์ของบุโรบุดัวหรือที่คนไทย ทั่วไปมักจะรู้จักในนามของบรมพุทโธซึ่งเป็นคำแปลซึ่งคาดเคลื่อนนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันลงลิ้นลงเสียงพอดีก็เลย <c oughs> ก็เรียกกันอย่างนั้น <c oughs> ไปเสียแล้วพระบรดวมีปมปริศนาที่สลับซับซ้อนมากครับอยู่เบื้องหลังมันคือทั้งรูปทรงทั้งชื่อหนึ่งครับทั้งการปรากฏขึ้นในโลกภ พ, พนี้รวมทังการล่มสลายและจากไป เป็นเวลาถึงพันปีเศษซึ่งมาฟื้นขึ้นมาร้อยปีที่แล้วครับสร้างปริศนาให้กับนักวิชาการนักคิดนักบรางคดีรวมทั้งสอบสนิกไม่เพียงแต่ชาวพุทธเท่านั้นปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีประชาชนทั่วทุกสารทิศของโลกเดินทางไปเพื่อจะชื่นชมกับภาพสัมผัสสิ่งหน้ามหัศจรรยนี้ บรอบโดได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งใน the world wonder นะเป็นิงมหัศจรรย์ของโลกในลำดับยุคสมัยใหม่เช่นเดียวกับนครวัดแต่อทา่จริงก็คือบรอบโดนั้นถูกสร้างก่อนคอนครวัดประมาณสามร้อยปีเรื่องราวเบื้องหลังเราคงต้องศึกษาก็ไม่รู้จักจบสิ้นร้อยปีหลังจากการฟืฟ้นฟูบบราณนั้นเครับตราบถึงวันนี้ณนะเวลานี้ นักวิชาการยังถกกันไม่รู้จักจบสิ้นครับว่าบรุบโดมีรากศัพท์มาจากอะไรชื่อจริงๆที่เป็นทางการของมหาสถูปอันยิ่งใหญ่นี้นะครับชื่ออะไรกันแน่เพราะว่าชื่อจะเป็นกุญแจไขว่าหน้าที่ใช้สอยหรือใช้ทำอะไรมันเป็นสถูปหรือว่าเป็นเจดีย์หรือว่าเป็นปราสาทปราสาทผมไม่ได้หมายถึงปราสาทราชฐานนะครับ ปราสาทโหนี่นหมายถึงเรือนยอดครับซึ่งในประวิดกนั้นเล่าไว้ว่านางวิสาขาได้สร้างปราสาทถวายรพระภิกษุสงฆ์ปราสาทคือเรือนที่มีหลายชั้นและเป็นที่ที่พระสงฆ์รวมตัวกันอยู่ที่นั่นพักผ่อนกันอยู่ทีนั้นเรียกปราสาทโถศาลเรือนยอดเขาปราสาทนี้คือศัพท์เดียว์คำว่าปราสาทะเรื่มใส่เออ ผมไม่ใช่นักบรางคดีโดยอาชีพและข้อไปสัมผัสบรมปโธมาด้วยความรู้สึกของผู้ไม่มีความรู้ล่วงหน้ามีความหมายทั้งเมื่อสิบห้าปีที่แล้วนะฮะผมไปมาสองหนสี่ครั้งอาจจะฟังดูแปลกครับสองผลนึงคือการไปอินโดนีเซียสี่ครั้งคือเมื่อจะบินออกนอกประเทศเกิดคิดถึงบราเรย้อนไวใหม่กลายเป็นสี่ครั้งขึ้นมา ภาพที่ปรากฏนั้นงดงามสะ ก, การตามากวันนี้ผมจะบรรยายในแง่สุนทรียภาพในแง่ของความงามซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความงามนั้นไม่ใช่สิ่งที่เห็นด้วยตาเนื้อเป็นความประจักษ์ความรู้สึกที่เหมือนกับที่เด็กๆ เ, เห็นมารดาของตัวเป็นเทพที่ดาซึ่งโดยความนจริงนั้นแม้เขาอาจจะไม่สวย หน้าตาของผู้เป็นมารดานั้นแต่ความรู้สึกด้านในที่เด็กรู้สึกเขาจะรู้สึกกับแม่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดนะเพราะสัมผัสอ่อนโยนที่สุดมันไม่ใช่เท่าติตาเนื้อเห็นเท่านั้นครับน้ําเสียงเปนตนารม์อ้อมกอดอะไรทั้งหมดนี้ครับทําให้เด็กรู้สึกรู้สึกถึงความงามที่ที่บริสุทธิ์ของแม่ได้ แต่ถ้าในวัยช่วงที่เขาปรรถนาสิ่งนี้<ม>เขาไม่ได้<ม>เขาจะโหยหาไปช่วยชีวิตแม้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามครับเหมือนคำกวีที่ว่าพลาดรักแล้วโหยหาช่วยชีวิตต่าางนั้นเละไม่ว่ารักต่อมารดาหรือความรักที่บริสุทธิ์ระหว่างหญิงชายครูกับศิษย์หรือมิตรต่อมิตรก็ตามนะผมเองก็คงเล่าแบบ ที่ยอัตวิสัยคือความรู้สึกส่วนตัวก็จับเท่านั้นเองครับเพราะนั้นขอ้อผิดพาดอาจจะมากหรืออาจจะยอดย้อนไปนัน ก, ก็ถือเป็นเรื่องเล่าสู่เป็นฟังครับเรียกว่าเล่าสู่กันฟังเท่านั้นเองแท้ที่จริงแล้วเมื่อเราได้เห็นด้วยตาเนื้อเราเองด้วยความรู้สึกด้วยเลือดด้วยเนื้อในอารมณ์เราเองนั้นเป็นคําตอบถึงที่สุดอยู่ตรงนั้นครับในการที่ทุกคนไม่สามารถ เดินทางไปพร้อมๆกันที่จะดูแล้วได้คุยกั น, นก็เป็นเงื่อนไขาจากัดทำให้ต้องคนหนึ่งมานั่งเล่าอห้คนหนึ่งสร้างจินตนาการขึ้นเองแต่ท้ายที่สุดของการบรรยายนี้จะมีภาพสไลด์ครับภาพใส่ให้ท่านดูเพื่อให้เป็นเขาว่าน่าจะมีสุข น, นึงในชีวิตถ้าเป็นไปไดท้ที่ควรจะเดินทางไปชื่นชมเพื่อให้เป็นบุญตา ชาวมุสลิมจะมีเมกกะเป็นที่หมายมีคติว่าครั้งสักครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะไปเมกกะชาวพุทธนั่นที่จริงไม่ใช่ที่บรโรเบโดนะครับที่จริงคือพุทธกยาถานที่จัดรู้มนุษย์ระสามาภิยานของพระเจ้ชชาแต่ไปที่นั่นเราก็จะไม่เห็นอะไรนะครับนอกจากต้นโพแล้วก็ภาพแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนไปแล้วแต่ที่เบรโรบโดนั้นเป็นที่ที่ กวีศิลิปินในพราชาครั้งพันกะปีนั้นนั่นได้เสกสร้างสิ่งงามบริสุทธิ์ขึ้นตัวผมเองเมื่อไปที่นั่นแล้วรู้สึกเหมือนได้เข้าเฝ้าออพระพุทธ อ, องค์แน่นอนนะครับถขณะไปคิดว่านี่เพ ร, ร, ราบ้าคลั่งน่ะสิช่วยไม่ได้จริงๆครับช่วยไม่ได้ที่หักข้ามความรู้สึ ก, ก น, นั้นเหมือนเราเห็นดอกไม้หรือเราไปริมเทะเลแล้วรู้สึกโล่งอกโล่งใจ เ, เราจะไปหักข้ามมันทําอะไรในเมื่อในเมื่อเรา มีความรู้สึกเช่นนั้นได้นะ ค, ความรู้สึกนั้นคลี่คลายแล้วก่อเกิดปิติสุขเราไม่จำเป็นต้องหักห้าม mm hmm. มีพุทธภาสิตที่จะยกขึ้นมาแค่ตัวหรือสำทับก็แต่นะครับไม่ควรปฏิเสธสุขที่เป็นกุศล mm hmm. เช่นสัมภาหรือแม้แต่ว่าเราเลื่อมใสบุคคลจนร้องไห้เมื่อเขาจากไปซึ่งดูไปแล้วถ้าคนที่ยึดถือ การปฏิบัติแบบผู้ชนกาแพงก็บอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องเสียข้อที่จริงมันมีอยู่ว่าความปรารถนาในส่วนลึกของมนุษย์ก็คือเราอยากจะรักในสิ่งที่เป็นที่สุดที่รักอย่างพระเจ้าคล้ายๆก็อยากพบผมเชื่อถ้าท่านยังมีประชานอยู่นี่พวกเราหลายคนต้องดันด้นไปจนได้ถูกไหมครัทัทง้งๆที่รับเรู้ไม่ได้เป็นตรงไปทั้งๆที่เรารู้ว่าพุทธะคือแก่นใจของเรานั่นเอง แต่ว่าความปรารถนาส่วนหนึ่งเราอยากจะอยู่ในสินฐานที่เรารักในประเทศในชุมชนที่เรารู้สึกเป็นสุขเราอยากอยู่ใกล้คนที่เรารักและเขารักเรานี่เป็นความต้องการพื้นๆนั่นนองครับส่วนการที่อยู่ใกล้บุคคลที่เรารักเราเตือทูนแล้วเรายึดติดหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งครับมันขึ้นกับปัญญาครับความยึดติดเราให้อยู่กลมันก็ติดได้ครับแลมีข้อที่จริงหนึ่งว่า คนติดตยึดอะไรอยู่มักจะ พ, พร่ำเพอถึงสิ่งนั้นตัวอย่างก็เห็นได้แล้วผมจะกลับมันไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยนอกจากบโรมโตะบโรมุด ok มันจะเรียกว่าเราได้เห็นสิ่งที่วิจิตรอลังการสิ่งที่งดงามที่กวีและศิลปินนี่ได้เสกสร้างเพื่อให้เป็นมิมิตติดตาตรึงใจเราอยู่ส่วนเราจะหมุน สมาธิหรือพลังอันนี้ไปทางไหนนั้นขึ้นกับเราครับขึ้นกับเราเองเหมือนใครสักคนพูดว่ารถยนต์เนี่ยธรรมะอากาศเป็นจิตเรากไปโทษรถยนต์แล้วก็เราไม่มควรใช้รถยนต์เลยหรือว่ารถยนต์เป็นเรื่องของความมั่งคั่งมั่งมีไปผมว่ามันไม่ได้ไม่ได้ขึ้นกับรถยนต์มันขึ้นกับผู้ชายอยงนั้นความรับผิดชอบต่อธรรมะปฏิบัติในส่วน ุดในส่วนโล ก, กุตรธรรมนั้นประสานได้กับเรื่องโลกๆครับข้อนี้เหมือนคาตอบที่ว่าเราก็ยังเป็นเราผู้มีอาชีพทำการทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาสามีแต่พร้อมกันนั้นเราปฏิบัติทำชั้นสูงได้ความเชื่อนี้ขนักแน่นหรือมากพอหรือไม่นั้นถ้าเราได้สัมผสัสบริบดรณนะรเราจะพบอะไรที่กว้างใหญ่ไพศาลมากครับ ตามที่เรารู้นั้นก็คือพุทธวัตฝ่ายเทรวาตมีอย่างไรพวกเราส่วนใหญ่ก็รู้และทราบซึ่งมินีเนียแต่เมื่อเราได้สัมผัสอีกซีกหนึ่งของพุทธศาสนาซึ่งมีลักษมีที่กว้างไกลพุทธวัตฝ่ายมหายานนั้นเขียนไว้ไม่เหมือนกับฝ่ายเทรวาตเพราะมหายาณที่ว่าการปฏิบัติธรรมส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องแคบ แล้วก็เรียกด้วยความเหยียดหยามว่าหิทนายาณญาณต่ำๆๆเขาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าทุกเรื่องแม้แต่เขียนประวัติพระเจ้าออกบวชก็เพื่อตัวท่านเองไปนั่งจาดสลูก็เพื่อตัวเองคิดถึงตัวเองตลอดเวลานะแต่ว่ามหาญาณได้เขียนพุท ธ, ธ, ธวันะไว้อย่างกว้างใหญ่แม้แต่เขียนว่าขณะที่เจ้าชายอยู่ในประคันของมายาเทวีก็ ตรัสสอนธรรมะให้พมานดาด้วย อ, อ, อย่าเถียงผมนะว่ามันจะจริงได้ยังไงเด็กพูดได้อยู่ในคันไอ้ น, นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับวิธีเขียนคือเขาเขียนให้เป็นลิเทเรเชอร์ให้เป็นวรรณกรรมเพราะาถ้าไม่เขียนอย่างนี้ถ้าเขียนตามเป็นจริงในชีวิตจริ ง, จ, รงจะมีอะไรครับเราเถียงพระเจ้าตื่นระบรรทมไปบินบิบ اد กลับมาฉันเนหาแล้วเข้า zoom วันก็มีเท่านี้เขาจะเขียนตรงจริงจริงเลยนะ แต่แล้วพุทธวัตรที่เขเขียนนั้นก็ต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบถึงได้ก่อเกิดรสชาติเกิดปิติสุขพระคมภี์ส่วนใหญ่ในโลกเป็นอย่างนั้นครับแต่ถ้าคนแก่เหตุผลกันไปอ่านมาสักหน้าก็ความทิ้งกันทีในสึกไม่สําเร็จประโยชน์ไม่เกิดศรัทธาเพราะว่าติดเหตุผลนี่คืข้อเท็จจริงที่ว่าทําไมเรื่องที่สําคัญมากนั้นเขาต้องทําให้มีอพิณิหารจะได้รังเกียจสิ่ ง, งนั้นนะฮะเพราะว่า สาละสำคัญมันมันไม่ได้อยู่ในเรื่องในพระประวัติของผู้เจ้าแต่มันอยู่ตรงความรู้สึกที่แผ่ขยายของผู้อ่านความรู้สึกที่ซาบซึ้งซาบซึ้งและเป็นเหตุดอนดานใจให้ปฏิบัติธรรมะนั่นสำคัญที่สุดนะฮะเรชาดกทั้งหลายเรื่องครับที่ถูกเสรสร้างขึ้นเพื่อเร้าศรัทธาให้มีอุดมการในการปฏิบัติโรกุตตะธรรม ที่บริเวดนนั้นมีภาพสลักหินนะครับประมาณชาดกประมาณห้าร้อยเรื่องผมพูดเกินบางทีหลายคนได้ดูแล้วในภาพยนตร์สาคดีนะครับแต่มันไม่เหมือนได้ไปเห็นด้วยตาตได้สัมผัสดโดยตรงผมจะเล่าย้อนอารามณ์สึกส่วนตัวบ้างนะครับะว่าถ้าได้พลานางจริงมันลำดับไม่ถูกครับลำดับไม่ถูก ครั้งแรกที่ผมไปเมื่อสบห้าปีนั้นพอได้เห็นผมเข่าอ่อนเลยที่เข่าอ่อนไม่ใช่เหนื่อยหรือหมดแรงใช่ไเพราะว่าผมรู้สึกท้อแท้มากครับท้อไปทั้งชีวิตเมื่อได้สัมผัสพลังศรัทธาที่คนโบราณซึ่งเป็นบรรพบุรุษชาวพุทธชวาวได้แสดงออกที่บริวชวดแล้วมันนึกน้อยใจตัวเองใช่ไเราเล่นเกินไปเราศรัทธาน้อยเกินไปเมื่อเราได้เห็นการแสดงออก ซึ่งลึกซึ่งเล็กกว้างใหญ่ใส่ตานะฮะเรียกว่าเขาอ่อนก็นั่งลงกับพื้นเลยครับไปต่อไม่ได้เอ่อเพราะว่าตลอดเวลาที่เราใส่ใจในธรรมะนี่นะฮะเราอาจใส่ใจเล่นๆสนุกๆตามแฟชั่นหรือตามพ่อแม่หรือตามอะไรสุดแท้นะแล้วเรายังไม่เคยเห็นผู้ที่มีศรัทธาจริงๆซึ่งเขาทุ่มเทแล้วแสดงออก อย่างกล้าหารและเด็ดเดี่ยวนะครับบรมโทนั้นเป็นเครื่องหมายของศรัทธาอันล้นเหลือที่ชาวพุทธครังอดีตมีต่อพระพุทธศาสนามีต่อพระพุทธเจ้ามีต่อพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตดังนั้นศรัทธาของเขาเนี่ยเปี่ยมทนรวบ ร, ว ม, รวมจากอดีตปัจจุบันและอนาคต เขาศรัทธาแม้แต่พระศรีอรยมเหตสายซึ่งพ่อแม่เหล่านี้อาจจะเคยพูดใหเราได้ยินเราอาจจะคิดว่าจะไปคิดมากทําไมเรามีชีวิตยอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเรามักจะนำธรรมะคําสอนนมาเพื่อย่อยสลายใ ห, ให้ให้เราไม่ต้องทำอะไรเลยเช่นมีชีวิตปัจจุบันไม่ต้องคิดถึงอนาคตไม่ต้องอะไรในอดีตในสุดเราก็กล่าวลูดครับแท้ที่จริงในเบื้องลึกนั้นนอเหนือ ข้อ้ศาสนาหรือคำสอนของศาสนาใดในโลกนี้เนี่ยจะมีสองลักษณะคือลักษณะที่รู้กันในวงกว้างหรือเรีเรียกเอโซเทลิรู้กันในวงกว้างซึ่งไม่จําเป็นต้องลึกแล้วศาสนาที่รู้กันในวงจํากัดซึ่งลุ่มลึกเรีกนนว่าเอโซเทลิขอโทษนะฮะเอโซเทลิรู้กันในวงจํากัดรู้กันในวงแคบ แต่ว่าลุ่มลึกยกตัวอย่างนะคําสอนของพระเจ้ามีอะไรบ้างก็ไม่ทําบาปทํากุศลชาระใจบริสุทธิ์หรือทําดีได้ดีทําชั่วยได้ชั่วยชาวพุทธทั่วไปก็รู้กันในวงกว้างอย่างนี้ครับแล้วก็แต่การรู้ในวงกว้างนั้นก็มีผลดีตรงที่ง่ายต่อการเผยแพร่หรือในแง่าการเมืองเนี้เช่นธรรมปชาธิวตัยคนทั่วไปก็รู้กันในวงกว้างว่าคืออันนั้นอันนั้น แต่แล้วเวลาปฏิบัติจริงกลับไม่ไม่สอดคล้องกับความรู้นนั้นได้คนที่รู้ในวงจํากัดแต่ลุ่มลึกนั้นรู้ว่าไม่ว่าอุดมคติสูงส่งเพียงใดนะครับจะเป็นประชาธิปไตยจะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่ข้อสำคัญที่สุดมนุษย์ต้องเข้าถึงยอดสุดของความดีตรงนี้ลุ่มลึกครับแล้วในสุดประชาธิปไตยก็จะเป็นสิ่งที่งอกงามขึ้นมาเท่านั้นเองอ่ผู้ที่มาที่หลังอาจจะไม่ทราบนะครับว่าวันนี้ ผมจะพูดเรื่องความงามอันน่ามากสัจจ์ของบุรุษบุรุษต้องย้อนทบทวนว่าพ่อมีหลายคนมาตัดพ่อว่าทำไมไม่พูดธรรมปฏิบัติเผมอยากที่ให้การพบปะนี้เป็นการพบปะได้หลายหลายมุมนะครเพราะว่าศาสนธรรมนั้นมันไม่ได้มีแต่เรื่องปฏิบัติอย่างเดียวเลยครับมันยังมีหลายเรื่องมากที่เช่นเรื่องศิลปะวัตถธรรมเรื่องจริยธรรม เรามุ่งแต่จะปฏิบัติรูปเดียวเนาะไม่ต้องมาฟังเลยครับฟังครั้งเดียวก็พอเลยครับตั้งสติเข้าดูใจเข้าความคิดเกิดให้รู้ตัวเข้าเท่านั้นเองครับแต่ต้องไปปฏิบัติมันจริงๆเนี่ที่เราต้องมาพูดกันหลายเรื่องนึงเพื่อเราจะได้เห็นมิติเบื้องหลังพระพุทธศาสนาเบื้องหลังคําสอนเรื่องอนัตตาความว่างเปล่าเบื้องหลังสุญญ า, าคือความว่างแต่ในความว่างเหล่านี้ไม่ได้ว่างโดยไม่มีอะไรเลยนะฮะเขาสรรสร้างอารยธรรมอันวิจิตรบรรจงมาแล้วครับ ภายใต้ความรู้แจ้งของสุพิต์อ์ได้กลายเป็นแสงสว่างเป็นแสงประทีปส่งองเข้ามาในหัวใจของคนเป็นจำนวนมากในอดีตแล้วเขาก็มีความอเลววรเอื้ออารต่อนคนรุ่นถัดไปดังนั้นสะพานมากมายความเข้าใจลึกซึ้งมันนั้นนะครับที่เกิดอุตสาหะที่แกะสลักหินลงมาจำนวนถึงสองล้านก้อน แล้วก็ใช้ฝีมือช่างอันวิจิตรบรรจงยังเป็นปมปริสนาจนทุกวันนี้นะครับว่าเขาจัดบริหารบุคคลได้อย่างไรกรวีที่เรารู้จักเสนอะคือพิ่านดังคารกาลยานทองเนี่ยได้แสดงความไม่เชื่อว่ามนุษย์สร้างที่จริงคือมนุษย์นะแต่ว่าเปนโมหารเป็นวิธีพูดของกวีนะท่านบอกว่าผมไม่เชื่อมนุษย์จะสร้างได้ต้องเป็นเทพพญยยดาเท่านั้นครับเพราะอะไรเหรครับเพราะว่า ทีมือนั้นล้ำเลิศเหลือเกินครับแล้วที่อัศจรในแง่ฝีมือก็คือเหมือนกับคนคนเดียวทำซึ่งมันเป็นไปได้อย่างไงครับมีรูปสลักขนาดย่อมๆนี่เป็นผมก็ไดเป็นหมื่นๆลูกนะสื้ทรงดูไปแล้วหน้าหน้าทึ่งหน้าตาการตามากครับประกอบไปด้วยสถูกองค์เล็กๆน้อยรวมแล้วถึงหนึ่งถึงห้าพันเจ็ดสิบสององค์ที่ดูนะฮะ เรื่องาเป็นหนึ่งนี้ครับเม่อสมัยที่เซอร์รัฟเฟิลข้าหลวงใหญ่ของอังกฤษที่มาปกครองอประเทศที่ตอนนี้เรียกมาเลเซียได้ยินชาวพื้นเมืองพูดกันถึ ง, ถงทินที่ลี้ลับที่สุดในใจกลางเกาะชวา แล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปที่นั่นเพราะมีพูดผีปีศาจแล้วมีเรื่องเล่าลือกันว่าใครที่ไปนั่นต้องตายทุกคนอุทาบบ่าวกบฏครั้งหนึ่งนต่ออราชวงมัตต ร, รมสุลต่านแ่งมัตต ร, รมเนี้กบฏก็ใช้ที่ฐานที่นั้นหนีเอาชีวิตรอดเพราะไม่มีใครกล้าเข้าไปถ้าเขาอยู่เขาต้องตายในั้นเสียงแต่พอเขาเข้าไปแล้วก็ออกเขาเกิดตายอย่างจริงด้วยครับดังนั้นก็ยอมข่าวลือให้แพร่สะพัดไปอีก เจ้าชายผู้เมืองหลวงเก่านะครับคือมืองยอกยาการาเสด็จไปเที่ยวกลับมาก็ตายผมก็จะน่าจะตายเพราะมาเรเลียซึ่งซึมากกว่านะแต่ไงก็ตามนะครับครั้งอดีตันรุ่งโลดของชาวกุชชวามันเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ปรากฏการณ์บนกาะชวานั้นเป็นสิ่งน่าทึ่งยิ่งครับก็คือชาวชวาจะมีแม้โดยส่วนรวมจะเป็นมุสลิมนะครับแต่จะมีน้ำใสใจจริงกับเพื่อนมนุษย์นิมาก ผมไม่ได้หมายถึงว่าชาวมุสลิมทั่วไปไม่มีนะแต่ที่นั่นจะเป็นพิเศษมากจนนัวกวิจารารให้ชื่อเฉพาะว่ายวานิสฮิวแมนิตี้มนุษยธรรมเยี่ยงชาวสวาเราเฉพาะว่าเขาซอบอ่อนโยนมากเขาเป็นมุสลิมนะเดี๋ยวนี้นะผมท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นหลายครั้งเกิดความรู้สึกอาจจะเข้าข้างตัวหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับผมรู้สึกทั้งหมดนี้เป็นผล ของพระพุทธศาสนาที่ซ่อนอยู่ในสำนึกของชาวชวาแม้ปัจจุบันนี้เขาจะเป็นมุสลิมคือจริงแต่ท่วงท่าภายใต้สำนึกเขาก็คือชาวพุทธนั่นเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมครับที่เราพบมนุษย์จะทำเยี่ยงชาวชววาที่นั่นทั้งๆที่ก่อนไปนั้นเพื่อนฝูงหลายคนห้าวว่าจะไปนะเป็นแดนมุสลิมอันตรายก็ว่าอย่างนั้นเลยผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ้นแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่เชื่อโดยเด็ดขาด แต่จะมีความจริงอยู่บ้างที่ซมาต ร, ราและเกาะอื่นแต่สาหรับชวาแลว้วเป็นเรื่องแปลกครับปาฏิหาริย์ของบรอบบโดได้แผลงฤทิ์ที่นั่นนจนกระทั่งว่าชาวมุสลิมซึ่งไม่ค่อยยอมรับศาสนาอื่นสักเท่าไหร่เล ย, เลยนะฮะได้พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าบรพุบโดคือโบสถ์ของเราซึ่งไม่น่าเชื่อเลยเนะี่ยเขาเรียกว่าบรอบบโดออร์เทมเ l ิลเทมเพิลนอฟอินโดนีเซียเขาว่าอย่างนั้นนะ แต่วทุวันนี้นะฮะประชาชนจะไปเที่ยววันละประมาณหนึ่งหมืนเพื่อไปชื่นชมบรูโซนั้นแดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นชาวโคสาชเลยนีเรื่องเรื่องปลาดมากครับเวลาตีห้านี่ผู้คนไปเป็นหมื่นแล้วครับเราจะไม่มีโอกาสเลยที่จะสงบดื่มดมในบรรยากาศนั้นเว้นไว้แต่ไปพักในบ้านพักของรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้ผู้ที่ต้องการภาวนานั้นขึ้นไปบนมหาสถสุขในตอนกลางคืนได้นะฮะ วันวิสาขานั้นเป็นวันพิเศษมากครับจะมีการรวมชาวพุทธจากหลายแหลง่งรวมด้วยชาวมุสลิมด้วยและเพื่อนของชาวพุทธที่เป็นาศาสนกอื่นด้วยครับวันนี้จะรวมตัวเรากับว่ากิจกรรมที่นี่ในวันวิสาขาเป็นกิจกรรมของอนุเสชาชาติไปแล้วครับมีเรื่องปรีกย่อยมากมายเท่าที่ผมนึกได้ก็พูดสเปสฝานะไม่มีลำดับอะไรมากมายนะครับ บรรพบุพรุษของชาวช า, วานั้นว่ากันว่าเป็นชาวจีนพ้นทะเลนนะถ้าเราไปที่ชาวาเราจะพบว่ามีการผสมผสานทั้งชาติพันธุ์และศาสนาขนบประเพณีก็ได้เห็นนี่แล้วก็มั่งครับที่ทําให้สัดส่ว น, นการผส ม, มนั่ออกมันนิ่มนวลดีข้อน่าสังเกตว่าใครก็นใดคนหนึ่งที่นับถือทุกศาสนาเขาเขาจะไม่ไวางระยะกับทุกๆศกสัตว์นะถูกไหฮะแต่ผมเริ่มใสทั้งพระเยซูทั้งมนาบีมูฮัมหมัดทั้งผู้เจ้านี่ผม คุยอคไรก็ได้ความอ่อนน้อมอ่อนโยนของชาวชวามีส่งผลด้านหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ไม่สู้แบ่งแยกจากราษสุดรครับซึ่งในบ้านเราป้อมปราการสุดท้ายของพุทธศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับเจ้าหน้าที่มักจะวางตัวเหนือประชาชนเสมอและเป็นปัญหาเลื้อรลังมาตลอดเอาละครับเรามาสู่เรื่องราวของเซอร์ลับเบลนะครับ ชื่ลัฟฟิลเซียเราคงได้ยินชื่อดอกไม้ที่ใหญ่สุดในโลกว่าผัน่าเขไม่เคยเห็นนะครับว่ากันว่ารักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างประมาณหนึ่งหวาดอกไม้ดอกเดียวนะ่ขึ้นกับพื้นชื่อลัฟเฟิลเซียเพราะว่าตั้งชื่อดอกไม้ชนิดนั้นซึ่งมีในป่ามาเลห์แห่งเดียวเนี่ยเพื่อเป็นเกียรติแกเซอร์ลัฟฟลข้าหลวงใหญ่ข้าหลวงคนนี้ครับเมื่อได้ยินข่าวเรื่องพิลึกเกืกเือเกี่ยวกับ สถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งใจกลางชมใจกลางชวาทวีกนะเขาเป็นฝรั่งอยู่แล้วเขาไม่เชื่อเรื่องแบนนี้อยู่แล้วนะเขาคิดว่าต้องมีอะไรที่น่าน่าสนใจแน่ก็ไปตำรวจครับแล้วก็ได้พาคนงานไปประมาณสองร้อคนใช้เวลาสองเดือนเต็มคนระับสางป่าลกชัดซึ่งมีต้นไม้ขึ้นกลุ่มเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าที่ตรงนั้นคือที่ตั้งของ บรอบดัวที่อยู่ในศิลาจารึกเพราะว่าชื่อมันผิดเพี้ยนไปหมดบางแห่งเรียกว่าออสัมภาระสัมพุทธสุมเมรุแต่ละศิลาจารึกแต่ละแห่งเรียกชื่อไม่ตรงกันแต่แห่งดังนั้นเองนะครับเมื่อมีการสางป่าออกต้นไม้ซึ่งขึ้นคลุมเป็นอกๆลัฟเฟลก็ได้เห็นโชมหน้าครั้งแรกของบรบดัว ซึ่งทําให้เขาทราบซึ้งจริงใจมากก่อนหนานั้นชาตินักล่าจาตะวนตกผมใช้คำว่าชาตินักล่านะครก็คือยุคสมัยที่การล่าอนาณิคมแสวงหาเงิงขึ้นผู้คนจากตะวันตกซึ่เป็นนักล่าเหล่านั้นมักจะมีความคิดผิดๆที่เสมอว่าผู้อยู่ใต้ปกครองตัวหรือชุมชนเล็กๆชนน้อยทาง น, น อ, อกป่าเถื่อนทั้งนั้นไม่มีปัญญาเขาจะต้องไปสั่งสอนแล้วก็กอบโกยทรัพยากรทางชาติ 500ปีน้องแต่การล่านานิกมเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความยากจนกนทั่วโลกครับผมจะไม่เข้าสู่รายละเอียดนะครับเพราะว่าพวกนักล่าเหล่านั้นได้ทำลายรลกฐานวิถีชีวิตของชาวตัวหน อ, อกชาวบูรพทิศซึ่งมีวิถีชีวิตที่อยู่ภายใต้การอุธถรมค้ำจุนของสภาวะธรรมธรรมชาติพวกเขามีชีวิตเรื่อยสบายๆเหมือนที่พวกเราหลายคนเป็นอยู่ สิเดี๋ยวนี้วิถีชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงแล้วครับเราไม่มีชีวิตแบบเรื่อยๆสบายๆอยแล้วเว้นไว้เราปลดกเกษียณแล้วหรือเรายังเด็กเกินไปแต่ครั้งอดีต น, นสิโลกตัวหนอกนั้นนะครับมีวิถีชีวิตตามธรรมชาติเท่านั้นเองด้วยการอนุเคราะห์จุนเจือของแม่ธรณีในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวมีทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเขาไม่จะเป็นนุ่งลิ่งลิบเร่งรีบทําอะไรหรือกักตุนสะสมอะไรให้เกินจําเป็น เดี๋ยวนี้เราจะพบวิถีชีวิตนั้นในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์เพราะว่าแม้ระบบการเมืองเศรษฐกิจจะเร่งรัดแต่ชาวบ้านยังเดินเล่นอยู่ข้างถนนยังมีชีวิตเรื่อยๆขัดแย้งกับระบบใหญ่ทุกๆประเทศนะครับกำลังอยู่ช่วงนี้ขัดแย้งกันอยู่นะครับั้นเมืองเราก็เหมือนกันส่วนลึกเราอยากมีชีวิตที่เรื่อยๆสบายๆายแต่เดี๋ยวนี้เราทาไม่ได้แล้วครับเพราะว่า เราจำเป็นต้องเร่งรัดต้องจัดตัวเองให้ลงในตาตารางของเวลาเพื่อหาเงินหาไรายได้ครั้งอดีตเมื่อห้า้อปีที่แล้วนั้นนะครับเมื่อชาวดัตช์อังกฤษและอังกฤษและโปรตุกเกสเข้ามาปกครองผู้ที่ทำตัวเนเจ้านายเหล่านั้นมองว่าชาวพื้นเมืองโง่พวกผิวดำนี่พระเจ้าสร้างมันสมองให้พวกผิวขาวเท่านั้น และพวกพิขาวต้องเป็นเจ้าหนายแต่แล้วคติความเชื่อนี้ถูกคว่ำบาตรทันทีครับเมื่อบโรบดัวถูกเปิดเผยขึ้นรับเฟิเปิดเผยสิ่งนี้แล้วทําให้ชาตินักล่ารู้สึกว่าในช่วงต้นเขาปฏิเสธว่าสงสัยจะไม่ใช่ชาวสวาสร์ซ่าง์พยายามบายเบนยู่ตลอดเวลาคือไม่ยอมรับคําจริงว่าภูมิปัญญาล้าเลิศเนี่ยชาวตะนอกได้เป็นเจ้าของมา ก, ก่อนหน้านั้นผมเชื่อคำเอเชียน่าจะมายคาอุตษาแน่ครับ คือพราทิตยขึ้นก่อน <Okay. S 1> แต่แล้วในสุดเดี๋ยนี้นักวิชาการยอมรับกันอย่างสิ้นเชิงเลยว่าภายใต้ผิวทีด่ดำดำคล้ายๆลิงสีน้ำตาลของคนโดนออกนั <c> ่น <oughs> ผมพูดขำๆนะฝรั่งเขาเรียกลิงสีน้ำตาลนีเพราะว่าก็เรียกแบบดูแคลงภายใต้ผิวที่ดำคล้ำไม่งดงามเหมือนชาวโยุโรปหรือทวันตกภูมิบัญญาใ น, นลำเลิศหนักบุรุษทโทได้พิสูจน์ศักดิ์ศรีคนโดนออกอ ย, อย่างไม่น่าเชื่อเลย ต่อแต่นั้นเองครับการเคารพคนัวหนอกเริ่มเกิดขึ้นเหมือนในนี้อย่างประเทศออสเตรเลียนีนะซึ่งเขาเป็นฝรั่งก็จริงแต่เนื่องจากบรรพบุรุษของเขาเป็นนักโทษถูกปล่อยเกาะ น, นั้นชาวออสเตรเลียหน้าตาเป็นฝรั่งแต่เคารพคนัวหนอกมากนะมีความรู้สึกที่ไม่มีระยะทางนักต่อคนวหนอกเมื่อหลังจากรักเฟื่อได้เปิดเผยสิ่งนั้นแล้วก็ในช่วงนั้นรักบาลรัฐปกครองชวาอยู่นะครับ พูดถึงชวาโดยวงกว้างสักเล็กน้อยก่อนนะครับเกาะชวานั้นเป็นเกาะที่พาดอยู่ตรงเอ่อโทษนะฮะเส้นศูนย์สูตรของโลกนะครับพาดตรงใจกลางชวาวันกิเลศทางประมาณพันกว่ากิโลเมตรนั้นสถานที่ก็ดูแปลกประหลาดอยู่นักวิชาการที่ชอบคิดในเรื่องลี้ลับก็ตั้งแง่ที่คิดว่า ท, ทําไมจึงเลือกสร้างที่นี่ เพราะมันเป็นเส้นสูงสแล้วก็จุดที่สร้างบริบูรณ์นั้นจุดกึ่งกลางของเกาะพอดีนี่เป็นสิ่งน่าคิดง่ายๆเนี้แต่ผมเองไม่คิดมากแต่ประเด็นนี้นะฮะแต่ถ้าเราเห็นชัยภูมิแล้วเราจะพบว่าการเลือกสถานที่ที่สร้างเจดีย์ของโลกผมใช้คํานี้นะฮะเจดีย์ของโลกเนี่ยเป็นการเลือกสรรที่เฟ้นและจ่ายตรองอย่างมากเชื่อว่ามีการสอบแสวงหาจากผู้รู้ ในการที่จะประดิษฐานให้เป็นสัญลักษณ์ของเจดีโลกคำเจดีโลกเราไม่ได้ยินนะครับแต่ในคำพีลลิศวิตรเนี่ยคือพุทธวัตรฝ่ายมาหายานจะเรียกพระพุทธองค์ว่าพระผู้เป็นเจดีโลกคือเป็นนิ่งขวัญเป็นที่สุดของโลกนี่นะ